2. มหาสีหนาทศูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาสูตรใหญ่สุนักขัตตกล่าวตูพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าด้านตะวันตกภายนอกพระนครเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นโอรสเจ้าลิชวีพระนามว่าสุนักขัตตะลาสิกขาจากพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นาน เธอเรียกล่าวในชุมชนณกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณโคโดมไม่มียาณทัศนะที่ประเสริฐอันสา ม, มารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองธรรมที่สมณโคโดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้น ครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีท่านได้สดับคำของโอรสเจ้าริชวีพระนามว่าสุนคขัตตะผู้กล่าวในชุมชนณกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณะโคดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิด แจมแจ้งได้เองทำที่สมณะโคโดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรครั้นเที่ยวบินธบาตในกรุงเวสาลีแล้วกลับจากบินทบาตภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า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 ย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรโอรสเจ้าลิชวีพระนามว่าสุนขัขตตะเป็นโมฆบุรุษมักโกรธถือกล่าววาจานั้นเพราะความโกรธสุนขัขตตะโมฆบุรุษคิดว่าจะกล่าวติเตียนแต่กลับกล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตอยู่นั่นแลแท้จริงข้อที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ทำที่สมณโคโดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตสุนัขขตะโมฆะบุรุษจากไม่มีปัญญารู้ธรรมในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต์ดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก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 จากไม่มีปัญญารู้ธรรมในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสดับเสียงสองชนิดคือหนึ่งเสียงทิพย์สเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สุนับขะะัดตากูเข้าบุรุษจากไม่มีปัญญารู้ธรรมในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงกําหนดรู้ใจของสัตว์และบุคคลอื่นด้วยใจ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 หรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นกำลังของพระตถาคตสิบประการสารีบุตรกำลังของตถาคตสิบประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปติญญาฐานะที่องอาจ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 ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3มชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกรบเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกรับและวิวัตกรบเป็นอันมากบ้างว่า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 การที่ตถาคตระลุกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นี้เป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรมจักในบริษัทเก้าตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติเคลื่อนกาลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูง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 การที่ตถาคตทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบันเลยศรีหนาตประกาศพรมาจักในบริษัทภิกษุทั้งหลายกำลังของตถาคต10บประการ น, นี้แหลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องอาจบรรลยศรีหนาต ประกาศพรมาจากในบริษัทสารีบุตรบุคคลใดแลพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณะโคโดมไม่มียาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้น ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอรหัตผลในปัจจุบันนั่นแหลแม้ฉันใดเรากล่าวข้ออุปมายนี้ฉันนั้นบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนาไปฝังไว เวสาราชยานสสารีบุตรเวสาราชยานยานเป็นเหตุให้แกล้วกล้าสประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญายืนยันฐานะที่องค์อาจบันเลสีหานาตประกาศพรหมจักในบริษัทเวสาราชยานของตถาคตสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลก จากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะรมเหล่านี้ท่านก็ยังไม่รู้เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล่วกล้าอยู่ 2. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่า ท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระขีณาศพอาสวะเหล่านี้ของท่านก็ยังไม่สิ้นไปเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้ากล้าอยู่ 3. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจกทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าอันตรายกรรม ท, ที่ท่านกล่าวไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริง เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความกระเสมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่สเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นไม่สำเร็จเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้ทาตามได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้ จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล่าอยู่สารีบุตรเวสารชยานสี่ประการนี้แหลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปติญญาฐานะที่องอาจบันเลอศีหนาฏประกาศพรมจักในบริษัทบุคคลใดพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมาณะโคโดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์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 เรากล่าวข้ออุปมานี้ฉันนั้นบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้บริษัท8สารีบุตร บริษัทแปดจำพวกนี้บริษัทแปดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคัติยะบริษัทสองพรามณบริษัทสคขหาบดีบริษัทสสมณนาบริษัทหจ้าตุมหาราชบริษัท 6. ดาวดึงสะบริษัท 7. มาระบริษัท 8. พรหมะบริษัทบริษัทมีแปดจำพวกนี้แล ตถาคตมีเวสาขชยานสี่ประการนี้จึงเข้าไปคบหาบริษัทแปดจำพวกนี้เราก็าไปยังขติยะบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่าแม้ในบริษัทนั้นเราก็เคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปลาศัยเคยสนทนากันเราไม่เห็นนิมิตว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจะ ก, กล่อมกลายเราในบริษัทนั้นได้เลย เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกรเสมไม่มีความกลัวแกล้วแกล้าอยู่อันหนึ่งเราเข้าไปยังพราหมณ์บริษัทหลายร้อยบริษัทละถึงข้าบดีบริษัทสมณบริษัทจ่าตุมหาราษบริษัทดาวดึงสะบริษัทมาระบริษัทเข้าไปยังพรมมะบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่าแม้ในบริษัทนั้นๆเราก็เคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปราศัย เคยสนทนากันเราไม่เห็นนิมิตว่าความกลัวหรือความสตุกสตานจะกกล่อมกลายเราในบริษัทนั้นได้เลยเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกเสรมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่บุคคลใดพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณโคโดมไม่มียาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึก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 บุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้กำเนิด4สารีบุตรกำเนิดสี่ชนิดนี้กำเนิดสี่ชนิดไหนบ้างคือ หนึกำเนิดอันทชะการเกิดในไข่สองกำเนิดชลาผู้ชะการเกิดในคันสามกำเนิดสังเสรชะการเกิดในเท่าไข่หรือที่ชื้นแฉะ 4. ่กำเนิดโอปปาติกะการเกิดผุดขึ้นกำเนิดอันทชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เจาะทำลายเปลือกไข่แล้วเกิดนี้เราเรียกว่ากำเนิดอันทชะ กำเนิดชาลาผู้ชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในคันนี้เราเรียกว่ากำเนิดชาลาผู้ชะกำเนิดสังเสทชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่าซากศพเน่าข น, นมบูดน้ําครามหรือเท่าใครนี้เราเรียกว่ากำเนิดสังเสทชะกำเนิดโอปปาติกะคืออะไรคือเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจาพวก และเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่ากำเนิดโอปปาติกะสารีบุตรกำเนิดมีสี่ชนิดนี้แหลบุคคลใดจะพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณะโคโดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เอง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 ก็ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้คติ5สารีบุตรคติ5ประการนี้คติ5ประการอะไรบ้างคือ 1. นรก 2. กํกำเนิดดีราชานสา เตตวิสัย 4. มนุษย์ 5. เทวดาเรารู้ชัดนรกทางที่นำสัตว์ให้ถึงนรกข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนรกเรารู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตน ร, รกเรารู้ชัดกำเนิดเดรัจฉานทางที่นำสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉาน และรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในกาเนิดเดรัจฉานเรารู้ชัดเปตะวิสัยทางที่นําสัตว์ให้ถึงเปตะวิสัยข้อปฏิบัติที่นําสัตว์ให้ถึงเปตะวิสัยและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในเปตวิสัยเรารู้ชัดหมู่มนุษย์ทางที่นาสัตว์ใหถึงมนุษยโลก ข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงมนุษยโลกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในหมู่มนุษย์เรารู้ชัดเทวดาทั้งหลายทางที่นำสัตว์ให้ถึงเทวโลวกข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงเทวโลกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุใหหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรารู้ชัดนิพพาน ทางที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุทาให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้เห็นการไปทุขติและสุขติของบุคคลเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาศนรกต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุขติวินิบาศนรกสเสวยทุกเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อน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 บุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจากมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้นั่นแหลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขาผู้ตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้นเสวยทุกเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเพ็ดร้อนแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า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 บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในกำเนิดดิรชานต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในกำเนิดดิรชจฉานสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลุมอุจจาระลึกมากกว่าช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยอุจจาระลำดับนั้น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 และดำเนินทางนั้นแล้วห G G ลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปตาวิสัยต่อมาเราเห็นเขาห G G ลังจากตายแล้วไปเกิดใ น, นเปตาวิสัยเสวยทุกคนเวทนาเป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลก น, นี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในหมู่มนุษย์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 บุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจกมาถึงต้นไม้นี้นั่นแลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีจะพึงเห็นเขานั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกาหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วและถึงเกิดในหมู่มนุษย์สวยสุขเวทนาเป็นอันมากเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ สวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ปร า, าสาทซึ่งมีเรือนยอดฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกลมเข้าไม่ได้มีกรอนแน่นมีประตูและหน้าต่างปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบันลังที่ลาดด้วยผ้าพรมขนสัตว์ลาดด้วยเครื่องล่าทำด้วยขนแกะสีขาวล่า ด, ด้วยขนสัตว์ซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้มีเครื่องลาาอย่างดีทำด้วยหนังชะมด มีเพดานกั้นอยู่เบื้องบนมีหมอนแดงวางไว้สองข้างลำดับนั้นบูรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ตเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายังปราสาทนั้นแหลโดยหนทางสายเดียวบูรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบูรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วจากมายังปราสาทนี้นั่นแหล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 ต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวสระบุรณีมีน้ำใสเจอสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสะระบุรีนั้นก็มีแนวป่าทึบลาดับนั้น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 บุรุษผู้มีตาดีพึงเห็นเขาลงสู่สะโบกรณีนั้นแล้วอาบและดื่มระ ง, งับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนที่แนวป่านั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้ว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 อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอรหัตผลในปัจจุบันนั่นแหลฉชันใดเราก็กล่าวอุปมายนี้ชันนั้นบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้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 เราเป็นผู้ประพฤติสงัดและเป็นผู้ประพฤติสงัดอย่างยอดเยี่ยมการบำเพ็ญตบะบรรดาพรหมจันท ร, ร์มีองคศีนั้นพรหมจันท ร, ร์ในการบำเพ็ญตบะของเราคือ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 ไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเรานั้นรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคาเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคํและถึงรับอาหารในเรือนเจดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังช <care söyleye Ut narration> ีพด <s care Administration> anyway, ้วยอาหารในถาดน้อยสองใบละถึงยังช <s care shoulder STALK> e ีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจดใบ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 นุ่งห่มผ้าคากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและโหนดคือถือการถอนผมและหนดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนน้ำคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำ